บนโมทนาสัตวการและท่านสัตวชนทั้งหลายการบรรยายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องการลิงคะชาดกซึ่งเป็นเรื่องที่ให้ความรู้แปลกแปลกใหม่ๆออกไปอีกหลายแนวในช่วงนี้ก็พอดีก็ใกล้เทศกาลวิสาขบาูชา เราก็ทำพิธีสักการบูชาต่อพวกเจดีย์ทั้งหลายส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่พระธาตุเจดีย์หรือเจดีย์ที่บรรจุพระรุมสาริกระธาตุแต่เจดีย์ลักษณะนี้ก็มีจำนวนน้อยก็มุ่งไปที่อุเทสิกาเจดีย์ก็คือพวกพระพุทธรูปเป็นต้น ในบางแห่งเป็นนิยมเบียนเทียนที่ต้นโพธิ์ซึ่งเป็นต้นไม้สัสรูของพระพุทธเจ้าก็าในชาดกนี้ได้แสดงอะไรให้เราเห็นว่าถึ่งการบูชาต้นโพธินั้นเป็นหลักที่ได้มีตั้งแต่สมัยพุทธกาล ก็มีใจความเป็นเบื้องต้นโดยสรุปว่าคือการปฏิบัติพระองค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยในแต่ในแต่ละปีแม้เราจะพบว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่ประเชศตวันทั้งส9บปีที่บุพพารามเขานววิสาขาทั้งหกปีรวมแล้วก็อยู่ที่สาวัตถีทั้งยี่สิบห้าปีแต่จริงก็ไม่ได้ไม่ได้ประทับอยู่ประจำ ปราทัาประจำจริงๆก็มีเฉพาะในพรรษาซึ่งจะต้องอยู่ประจำพรรษาสามเดือนพอปีใดที่มีพระบวชใหม่มากพระเจ้าก็จะอยู่อีกเดือนเพื่อฝึกปลืรมพระเหล่านั้นแนะนำสั่งสอนข็อวัดปฏิบัติแก่พระเหล่านั้น เว่าเธอจะคุ้มครองตัวเองได้ก็จะคุ้มครองอินทรีย์ได้คุ้มครองอินทรีย์ก็หมายความว่าสํารวมระวังอิทธิประยชนคือการใช้อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับหมายความเธอคุ้มครองอินทรีย์ได้ท่านั้นก็จะตามเสด็จไปในที่ต่างๆ แล้วก็จะฟังเทศสมทบกับชาวบ้านตลอดถ้าชาวบ้านมาเฝ้าตามผลทางทำป่าทำอะไรพู้เจ้าไปไประทับชาวบ้านที่มีความศรัทธาเป็นความสนใจก็จะฟังเฝ้าตอนเหล่านี้ก็ได้ฟังเทศสมทบกับชาวบ้านแต่ในขณะเดีวยวกันพอตกตอนเย็นเนี่ยฮนะ ก็ทรงประทานตอนหัวค่ำมาะไม่ใช่ตอนเจ็ดหัวค่ำมังเกเทศสอนชาวบ้านตอนหัวค่ําก้อเกยเจเทศสอนพระเราดังน น, นี่ก็เป็นหลักปฏิบัติเพราะงั้นแต่นยาวลาวแปดถึงเก้าเดือนเนี่ยนะฮะของแต่ละปีพระพุทธเจ้าก็ไม่ประทับอยู่ที่ไปเชตวันหรือที่บุพพารามทําให้พระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าประเสริฐที่กุศล เศรษฐีพวกนาตาบินติกาเศรษฐีพวกนาวิสาขาพวกนี้ยก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนนะนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าแต่ที่เคยเล่าว่าเพื่อนของนางวิสาขาเคยดื่มเหล้าเคยหล้ามันดื่มไปเราฟังเทศต่อพระภาคร์พระพุทธเจ้าหรือเพื่อนของนาตบินติกเศรษฐีท่านอุตสาห์ไปดึงมานะฮะ ไปดึงมาจากการนับถือรัฐที่าศาสนาอื่นตอนเหล่านั้นก็บรรลุคงดีตอนพระพุทธเจ้าประทับจูพระโอ้เจ้าเสด็จไปที่อื่นตั้งแปดเก้าเดือนนีท่านก็กลับเข้าไปสู่รัฐที่เดิมพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาเขาก็กลับมาอีกมันก็เข้าๆออกอย่างเงี้ยการศึกษาการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้า จุดนี้เราจะเห็นว่าพุทธบริษัทเราจริงๆนะคือจะเป็นอุบาสกตามบาสิกากตามในท่านท่านท่านมีหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาด้วยมีหน้าที่ในการเชิญชวนเพื่อนฝูงวงาาศาคณญาติเขมาศึกษาธรรมปฏิบัติธรร ม, มกด้วย ก็ดูแลเนี่ยดูแลศาสนาเอาใจใส่ศ า, ส, าสนาเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการกระทำเยนีเป็อการพิสูจน์พิสูจน์ถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมของคนอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าคนที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของตัวเอง เตือนระับความสู่ความสงบแต่เกวียนจากไฟ จ, จากอันตรายความยึดเย็นขึ้นไปในใจมันก็มีใจเอืเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่จะให้คนอื่นได้อย่างที่ตัวเองได้แล้วเป็นอย่างที่ตัวเองเป็นมันอาจะดึงตัวใกล้นะฮะไปในครอบครัวอย่างครอบครัวก็นางวิสาขาครอบครัวนางตบินทิกาเศรษฐีหรือครอบครัวบางครอบครัวจนครอบครัวภาษาดีบุตรหรือครอบครัวพวระเจ้าเนี่ย จริงๆได้ก็ค่อยดึงมานดึงมาทีละคนสองคนในครอบครัวพระพุธทธเจ้านั้นก็เป็นพระอระหันต์ทั้งหมดนะฮะนอกจากพนางสิริม า, ามายาซึ่งที่วงคตไปก่อนก็เป็นแค่พระโสดาบันครอบครัวพระสารีบุตรนอกจากพ่อก็เป็นพระอรหันหมด พ้อนั้นไม่ไม่เจอนะฮะไม่ทราบตายไปก่อนรอเราไม่เคยพบไม่เคยพบหลักฐานในพระบาลีแต่ที่จริงถ้าค่อยดึงนะฮะก็ค่อยดึ ง, ด, งดึงแม่มาได้เป็นคนสุดท้ายดึงน้องๆมาก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ดึงหลานภาษาดิบุตรนี้ตั้งตั้งสองชั่วคนนะสามชั่วคนคือรุ่นแม่รุ่นท่านแล้วก็รุ่นรุ่นหลาน ก็ดึงมาได้หมดค่อยๆดึงมาอันนี้ก็คือก็คือวิธีที่ที่ปฏิบัติตัวว่าอย่างแนวอย่างแนวของเราที่ที่เด็กบนบนเนี่ยนะคุณยายคุณยายกลับจากวัดแล้วไม่พูดไมจ่จาอะไร็ใคๆอยู่เงียบเฉยในห้องอันนี้ก็คือก็คืออะไรก็คือคือเราไปติด ไปตีที่ความสุขความสงบยังไม่ยังไม่ออกมาข้างนอกหรือใจยังไม่เอือเฟื้อออกมาข้างนอกที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ต้องช่วยดึงไปในบ้านนี่ยนะสร้ามบรรยากาศไปในบ้านบางทีก็ลูกดึงพ่อแม่ก็มีหรือพ่อแม่ดึงลูกก็มีหรือว่าช่วยกันดึงนะชักชวนกัน จริงๆก็คงไม่ต้องถึงข้าวัดฟังธรรมจำศีลตลอดนะ่ะแต่ว่ามุ่งรปใดทางปฏิบัติธรรมแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยากหน่อยทีท่ีตอนลูกจะสอนพ่อแม่เนี่ยมันก็ยากวิธีดีที่สุดก็คือหาคนกลางคนกลางเวลา น, นี้อาจจะเป็นหนังสือก็ได้วิทยุ ก, ก็ได้โทรทัน์ก็ได้นะฮะข้าวัดก็ได้ สมัยนี้มันก็เยอะก็สืบได้ใช่แต่สมัยก่อนมันสืบมันไม่มากนะเพาต้องดึงเข้าหาพระพระรูจเจ้าบางประสงค์บานทีนี้ไอ้ศรัทธาเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับการหว่านข้าวหรือการปลูกพืชนะพืชมันต้องมันต้องยืนหยัดได้เพราะมันต้องมีระยะหนึ่งเป็นระยะอภิบาลนะฮะอภิบาลพืช ศรัทามันก็ต้องมีระยะอภิบตัติดูแลเขาขระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายเจด็ดรอลุมข้าวน้ํามากไปก็ต้องพยายามเอาน้ําออกเําน้อยไปก็พยายามขาน้ําเข้าไปก็ดูแลไม่ให้สัตว์ร้ายทําอันตรายระยะหนึ่งข้าวก็ยืนได้แล้วก็สบายในอันนี้มันก็เกิดเป็นปัญหามาว่าชาวบ้านบางพูกเนี่ยกรับข้าวกรอบออกอย่างเนี้ และที่สำคัญยิง่งก็คือว่าเวพูเจ้าหายไปเลยตั้งแปดเก้าเดือนเนี่ยคนคนที่วัดเขาก็ว่าเวก็มาคิดกันอนาตบินทิกะเศรษฐีที่เคยเล่าใหฟังว่าท่านถ้าเป็นคนทนุถนอมพระพุทธทเจ้ามากไม่กล้าไม่กล้ า, ลาให้ทำอะไรให้พระเจ้ารู้สึกว่าพระเจ้าเหน็ดเหนื่อยเนี่ยท่านไม่กล้าทำแต่ท่านก็เห็นจุด จุดปัญหาเหล่านี้ยก็เลยก็ไปปรึกษากับพระานนท์เดียวก่อนหน้านั้นในพระานนท่านได้ในยะมาไปจากกันได้ในยะเนี่ยคงจะไปคุยอะไรกันก่อนนะฮะแต่ตัวชาดกไม่ไเล่าหรือพระานนท่านถามพระพุทธเจ้าว่าเจดีเนี่ยมันมั น, ม, นมันมีกี่ประเภทซึ่งในชาดกนี้แสดงสามนะฮะที่จริงแล้วต่อมาเนี่ยมันมาเป็นสี่แต่สมัยนั้น เทงแสดงแค่สาแสดงว่าสงแสดงว่าคือธาตุเจดีบริโภคเจดีและอุเทสิกะเจดีย์พระธาตุเจดีย์ก็คือคือเจดีที่บรรจุพระโรมสารกธาตุของพระพุทธเจ้าหมายความว่าที่ประดิษฐานนะจะเป็นเจดีหรือไม่เจดีก็ตามก็มีพระรมสาริกธาตุก็ถือว่าธาตุเจดีคือตัวเจดียด์ในตัวธาตุนั่นเองมันไม่ใช่ตัวเจดีย์องค์ๆข้างนอกอะนะ องค์นอกจะใยญ่จะเล็กที่จริงไม่สําคัญอะไรแต่สำคัญอยู่ที่ว่าเจดีย์นั้นมีพระธาตุหรือไม่คือบางทีพระธาตุอย่างพระแก้วมรกตเนี่ยมีพระธาตุทั้งหกองค์ก็อยู่ในองค์พระแก้วมรกตนั่นเองบรรจุอยู่ที่พระธาตุแต่ที่องค์พระแก้วมรกตนั่นเองหรือบางทีพระพุทธรูปเนี่ยบนพระเกศมารีก็มีพระธาตุเพราะฉะั้น พระพุทธรูปองค์นั้นมันก็เป็นทั้งธาตเจดีแล้วก็ทั้งอุทเทศิกเจดีเพราะบนพระมัลีก็มีประทันส่วนมา ก, ก็จะสร้างในเนี้ยนั้ น, น, นแต่สมัยนั้นยังไม่มีพุทธรูปเล น, นะบริพุทเจดีก็คือสมัยนั้นจริงๆเนี่ยนะเข้าหมายเฉพาะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ต่อมามาก่อนจะเป็นนิพพานนะ ก็ทรงเพิ่มสถานที่ประสูติสัตรูสแสดงถุมัททิฏานิพานก็เป็นสี่บริโภคก์กิจีบริโภคก็คือใช้สอยที่ประทับทีนี้ต่อมามันก็มีการตีความนะไอ้คำว่าบริโภคเนี่ยบริโภคถ้าจะเป็นธาตุเฉยๆจะเป็นสถานที่ประสูติสัตรูนิพานมันก็เป็นมันก็เป็ น, น, เ, ปนเป็นที่ติตดติดดินน่ยนะะ ก็ทําให้ไม่สามารถที่จะให้ความบุญใจแก่พุทธศาสนิกชนในทั่วถึงกว่าจะไปก็ต be ้องเดินทางกันดําเนกเมื่อก็คิดเอาเอาเครื่องชายพระพุทธเจ้าพวกบาทพวกจีวรพวกอะไรซึ่งก็มีไม่มากอนะฮะมีไม่มากแล้วก็ไม่ใช่ไปฉีกแบ่งไกลๆไม่กล้าไปฉีกจีวรพระพุทธเจ้าแบ่งเมื่อก็จีวรก็เป็นพื้นๆนะฮะจีวรเป็นพื้นๆก็มีไม่กี่ชิ้น ก็นำไปบรรจุแต่ว่ามันมันจนถึงก็ทำรรมากรกที่กรองน้ำอะไรนะที่อะไรัไรนทนเนี่ยที่ใส่ยาที่ใส่อะไรก็หละชิ้นอยู่หรอกสิบกว่าชิ้นเนี่ยนะฮะบริกาเรเด็กๆกันหน่อยอุเทติกะเจดีนั้นก็คือเจดีที่มีการสร้างให้เป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นที่รุึก เป็นเครื่องกําหนดหมายว่านั่นคือตัวแทนพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะฮะมื่อก่อนเป็นสัญญ์เป็นตัวแทนแล้วก็ทรงแสดงพระนนลบอกว่าทำํทำทําไงถึงจะให้เกิดเจดีเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่าพระธาตุจดีเนี่ยมันมันมีไม่ได้พระธาตจาดีเนี่ยก็ต้องมีสมัยที่พระพุทธเจ้าท่นิพพานไปแล้วแล้วก็นําเอาธาตุเหล่านั้น มาสักการะบูชามาก่อป็นเจดีสักการะบูชากันอุเทสิกะเจดีก็ยังไม่สมควรจะสร้างกันนะฮะยังไม่สมควรที่จะสร้างเพราะเวลาเนี้ยถ้าหากประชาชนจะเคารพสักการะแทนเราหรือพระนุนตั้งก็ทูล น, นะฮะท่านตั้งก็เจอปัญหานี้ชาวบ้านมาเล่าฟังว่าผู้เจ้าหายไปแล้วมันเหงา มันรู้สึกว่าเวมันทุนเสียความมั่นใจตังก็มาเล่ามากับทูลเล่าไอ้สงสารก็รับสังสรุปว่าถ้าต้องการจะให้มีที่ยึดเดนี่ยวใจถือว่าบรรเทาความรู้สึกนึกคิดถึงพระพุทธเจ้าถึงพระองค์เนี่ยฮะมันก็สามารถที่จะเอาบริโภค์เยดีเนี่ยมาเป็นตัวแทนได้ ทีนี้ปัปญหาสำคัญว่าออทำยังไงถึงจะถึงจะมีการจัดสร้างเจดีเหล่านี้ขึ้นมาคืบบริโภคเจดีก็ที่จริงก็ไม่มีอะไรมากนะะก็าอาจจะเป็นตอต้อ น, นโพมาหรือว่าไปเอาลูกต้นโพมาปลูกทนะ่านาตบินิกะเศรษฐีคงทราบแนวนี้พระอานน์นเล่าให้ฟังไงนะท่านก็มาหาพระอานนบอกว่า ทำยังไงล่ะพระคุณเจ้าช่วยช่วยช่วยช่วยจัดการเรื่องนี้แล้วกันนะช่วยกราบทูลขอพระพุท ธ, ธานุญาตให้มีการนำเอาร้นโพมาปลูกไว้ที่ประเชศตะวันก็อต้นโพมันอยู่ติขยานะผมอยู่ติขยาพระนุนท่านก็ไปกราบทูลในสงทราบพระเจ้าก็สม ประทานประธานอนุญาตประทานนัยะให้เดี๋ยวพระอนุนทก็ไปมาสุดาบันน่มันไกลนะฮะพุทธกยากับเชตวั น, นไกลนนนก็ไปเรียนพระโมคคเลรานะว่าเนี้ยญาติโยมพระเจ้าประเส็นิโกรสนทนา่านนางวิสาข า, นาทนอนาตวินนิกาเสตีนี่ท่านต้องการจะสร้างบริภพภกเจดีย์ก็ขอให้แต่เท้าช่วยไปเอา ต้นโพมาให้นะพระโมกคัลลานะท่านไปไปด้วยดิษเดินะฮะนี่เหาะเลยไปด้วยดิษแล้วท่านเอาเอาเอผ้าของท่านเนี่ยรองรับต้นโพลูกโพก็มองหล่ น, นท่านก็ผ้ารับลูกโพยังไม่ถึงดินแลก็รับมามาถึงก็มอบให้แก่อุปสุกปสิกาสามสามท่านเนี่ย ทีนี้ปัญหาว่าใครจะเป็นคนปลูกอันนี้เป็นความคิดที่ทิพย์ที่แปลกนะพระเจ้าประเซนทนิโกศลท่านเป็นปุตตุชนนะฮะท่านนานาเตวินในกาเซตีนี่ท่านเป็นระโศับันอาวิสาขาก็เป็นโทรบันแต่พระเจ้าปรสเซนที่โกศลเป็นเป็นปุตุชนพระเจ้าประเซนทน่โกศลนั้นท่านมีความคิดที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งท่านบอกความเป็นพระราชาเนี่ยดำรงอยู่ไม่ได้นาน เพราะคนที่ปลูกเนี่ยควรจะเป็นสามัญชนก็เลยเอาเอาเอาลูกเม็ดโพที่ที่เขาที่เขามอบถวายท่านน่ะให้เป็นคนปลูกก็มอวางลงในมือของนาตาบินที่พวกคุณปลูกเองดีกว่าคือให้ให้ประชาชนซึ่งเป็นสามัญชนเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เป็นสามัญชนมีความรู้สึกว่า เป็นของเขาเป็นเจ้าของร่วมกันเกินในที่สุดมันก็ปลูกนะฮะตโลมีพระอาหารหันต์มรดานะฮะาาอาารยบุคลมปลูกกันองประกอบด้วยพุท ธ, ธานุภาพก็ปลูกพอทำพิธีปลูกอะไรกันเสร็จก็ช่วยกัน ต้นโก็เริ่มงอกเริ่มแตกมันก็คล้ายๆกับการเล่นกลเนี่ยก็เกิดมาเล่นในวรบรต้นโพเกิดเป็นต้นมาเลยนะเกิดเป็นต้นมาเหมือนเยมกปฏิหารนะฮะเหมือนกับตอนยมกปฏิหารแต่ว่าตอนยมกปฏิหารมันเกิดโดยพุท ธ, ธานุภาพโดยตรงแต่ น, นี้มันก็เกิดโดยก็คงมีพุท ธ, ธานุภาพอยู่ด้วยนะี่ยเพียงแต่ท่านไปเล่าก็กลายเป็นต้นโพต้นใหญ่สูงห้าวาเนี่ยมัใหญ่ ส้าวาสิผ้าหวานสิผ้าหวาหรือสิผ้าซอกันนี่ก็สูงไงนะแตกกิง่งห้ากิ่งไปรอบด้านก็ถือเป็นปรากฏการณ์อัศจรรย์เนี่ไอ้ปรากฏการณ์อัศจรรย์เหล่าเนี้ยมันมันเป็นเรื่องที่คนเขาเห็นแล้วเขาเล่ามันเหมือนพระเจ้าประสูติแล้วเดินด้วยประบาดในเจ็ดเก้าเนี่ยคนที่เขาเห็นนะเขาเล่าไม่ใช่พระเจ้าเล่าเอง คนที่เขาเห็นก็ไปร่วมพิธีที่ตามสเสด็จพระนางิริมหามายาไปติวัหะนะเขาเห็นแล้วเขานํามาเล่าโดยจูงลูกจูงหลานไปพ่อ ก, กายถวายชีวิตนะเพราะเหต น, นี้เพรเพราะเห็นว่าเจ้าเจ้าชายนี้ประสูตรมาแปลงถึงก็เดินด้วยระบาดในเจ็ดเก้าตรงนี้เราเราลืมสถานะของเรานะฮะคนที่พวกปฏิเสธเนี่ยเขาลืมไปว่าจริงๆนี่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเล่าเอง คุณเจท่านไปรู้เองแงแต่ยังเป็นเด็กพราะนั้นท่านก็ไปมุสุดมาแต่ว่าคนที่ครอบล้อมันเยอะแยะไปหมดเลยเคยเห็นแล้วคนหล่อนั้นเน่ยต่อมามันมอบชีวิตหมดเลยถาวายพระพุทธเจ้าไปหมดเลยตั้งแต่เป็นเด็กนะเกิดมาวันเดียวเนี่ยเขมอบกายถาวายชีวิตแล้วดึงลูกดึงหลานมาด้วยนะเราจะมาดูประวัติศาสตร์ในตอนหลังนะจะเห็นนะราชบงศากยะโกริยานี่ออกบวชกันมหาศ า, านไว้เราบังเกิดจะเห็นตรงนั้นเนะ่ย ก็จะเห็นที่ประสูติมาแล้วเดินด้วยประบาดที่เจ็ดเก้าตัว น, นี้ก็เหมือนกันหมายความว่าประชาชนเขาก็เห็นว่าตรงนี้มันไม่มีต้นโพ่ะแล้วทําไมก็รุ่งช้ามันมีต้นโพใหญ่โตโมรานอย่างเงี้ยมันจะโอนย้ายอะไรได้ผมก็เป็นไปไม่ได้โอน ไ, ได้ายมาได้ยังไงนะฮะต้นโพมันใหญ่โตแล้วเกินนะโอนย้ายมันก็ดูกันออกนะบางคนมันก็ตื่นเต้น มาทําพิธีสักการบูชากันมหาศาลเลยทีนี้ยนั่นก็คือความอัศจรรย์มันก็เห็นในความอัศจรรย์ว่านิ่งๆต้นโพลโผล่ขึ้นมาเนี่ยนี่ลองต้นโพโผล่ขึ้นสนามหลวงซักต้นเน่ยนะะยาวห้าศอกยาวสิบกว่าวาแต่ยังไม้อย่าสงสิบกว่าศอกเนี่ ย, ย, น ย, ย, นยคนมันก็แขกันมันเต็ ม, มนะฮะราดดานเนินมันต้องมีรถเบียงกนแมันเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์นิ่งๆมันมาได้ยังไง แต่จริงคนเห็นมันก็มีไม่กี่คนน่ะตอนปลูกมีพระมีชาว บ, บ้านก็สามคนเน่ยนะที่ท่านบอกชื่อแต่ว่าคนอื่นองอยู่ด้วยนะะพระสงฆ์้าอื่นก็คงอยู่ด้วยก็มีพระหรันกบือรโมคขลานะก็มีพระอา น, นุนที่ทำพิธีปลูกก็ปลูกไว้ใกล้ประตูประเชศตะวันพวกนี้ก็กลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนก็มาพระอ น, นุ์ก็ อาศัยต้นโพเนี่ยนะฮะว่าทำยังไง ม, ม, ม, ม, มันมันมันมันอุ่นใจมากกว่านั้นเน่ยก็ ก, ก, ก็ก็ไปรัตนาเราคุณเจ้าบอกขอให้ไปประทับนั่งที่ต้นโพอีกสักครั้งอะ่ะเจ้าบอกว่าทําอย่างนั้นไม่ได้ <laughs> คือแต่ตาคตจะดสรู้แล้วมันไม่จะจัดสรู้ใหม่ได้ <laughs> ไล่นนั่งไม่ได้แต่ว่าไปใช้สอยให้คือไปประทับไปประทับเหมือนกับประทับต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยได้ ปู่เจ้าก็ไปประทับให้ ป, ประทับต้นไม้ตกลงว่าต้นโพนี้จึงกลายเป็นสองออซ้อนกันสองชั้นนี่ยนะฮะหมายความว่าตัวต้นโพเองก็เอามาจากกิ่งที่สัสรุที่ปู่เจ้าประทับตอนติสัสสุแล้วพอปลูกเสร็จเนี่ยปู่เจ้าก็มาประทับประทับไฟยาบท อ, อ, อ, อ, อยู่ตลอดทั้งคืนเนี่ยนะฮะอยู่ตลอดทั้งคืนอตอน้นโพ นี่คือแนวแนวที่เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าเป็นแนวของมวลชนแนวของประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้วิธีด like ึงโดยการไหว้กับกลาบนะฮะจริงๆพวกเนี้ยจริงๆรักษาบํารุงพระศาสนาด้วยปัจจัยสี่ให้เราลองสังเกตว่าศาสนาเราจะพูดเจ้าเจ้่งนั้นนะฮะพูดอย่างงั้นนะฮะบางทีก็พูดโจมตีเรื่องอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงอนแล้วโจบลงด้วยเรื่อยๆจะไรเพื่อนเนี่ย มันเป็นจริงๆรเนี่ยสังคมมันอยู่อย่างนี้ท่านก็พูดในฐาน่างของสังคมเนี่ย เ, เป็นเป็นตัวหล่อเลี้ยงสังคมมันเมือนกับบ้านเมืองเราต้อลองไม่มีชาวนานลองดูสิถึงแม้แกจะเดินกบวนอะไรบ้างก็ตามนะลองจะไม่มีชาวนานลองดูสิจะ อ, อยู่กันได้มันก็อยู่ไม่ได้โลกนี้มันก็อยู่ไม่ได้ถ้าโลกไม่มีชาวนานโลกก็อยู่ เหมือนศาสนาจริงๆอ่ะการหล่อเลี้ยงรักษาศาสนาทนุบํารงศาสนาด้วยปัจจัยสีเราจะเห็นว่าพวกพวกเนี่ยพวกไว้ว่ากับกล่าวทั้งหลายพวกศาสนพิธีเบื้องต้นเนี่ยนะฮะพวกทานพวกบูชาพวกเวียนเทียนพวกอะไรพวกนี้นะฮะพวกหล่อเลี้ยงทนุบํารงด้วยปัจจัยสี่คือเราเห็นได้ชัดอย่างพระอย่างพุทธมนฑนนะะพุทธมนฑนรายได้ที่หล่อเลี้ยงพุทธมนฑนนั้นก็คือพระประธานพุทธมนฑล พีโยมานั่งไหวกับไหวๆกับกล่าวจุดู้วยจุดเทียนทีนี้แะมันรวมนะฮะมันรวมคนไปเยอะแยะทีนี้จุดเนี้ยมันมาจุดมันคนก็เกิดสถานแล้วพระอานนท์ท่านก็ใช้ตรงนั้นเองพีโยมาจากการบูชาก็สนทนาธรรมอธิบายธรรมะสอนธรรมะมันก็ใช้สถานที่นั้นแหละเป็นที่พกกระชาชนเพราะคนมันก็ได้เพรา ะ, ะนั้นพวกที่จะต้องการมาความธรรมเขาก็มา แต่ส่วนใหญ่มันก็ตื่นเต้นเน่ยนะตื่นเต้นกับคาจราขอ ง, างตอนปูคนก็ไหลบ่ามาเร่พระท่านก็เห็นโอ้ท่า น, น, น, นท่านท่านพึ่งพระ อ, นนนอรานนท์นะฮะท่านพึ่งความคิดระอานนท์ว่าพระอานนท์เนี่ยสามารถดึงคนเข้าวัดได้เยอะเลยกินแล้วก็ยังอบว่าอนุศาสตร์แนะนำสั่งสอนประชาชนหลดนั้นให้ศึกษาประพุทธ ปฏิบัติที่ได้ผลมากจริ่งขึ้นตรงนี้ท่านท่านท่านจะเห็นเฉพาะช่วงตรงนี้นะคือเห็นถึงการสำนึกรับสิ่ชอบต่อพระศาสนาของกลุ่มชาวบ้านถามท่านน่นะฮพระเจ้าประเสริฐจุศลนางวิสาขาทนานาตบินิกศิทติแล้วก็พระเทระสองท่านกตจริงๆทุกท่านแหละนะแต่ว่าตรงนั้นนะครับท่านท้งานเขาพูดสี่ท่าน คือต้องการเรื่องเรื่องความอบอุ่นความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกเชื่อมั่นเนี่ยความรู้สึกปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพูดง่ายว่าความรู้สึกปลอดภัยเราจะพบว่าผูา้เจ้าท่านชายก็มาทุกภัยโรคทุกภัยโรคนะฮะคําสามคำในนั้นเองว่าทํายังไงขจัดทุกขจัดภัยกระจัดโรคได้คนก็สงบนั้ น, นเอง ทุกคนก็เรื่อยไปจนถึกทุกในทางสารวัตรเนี่ย น, นะฮะภัยก็ภัยในทางสารวัตรไปเลยเรื่อยไปเรื่อยๆโรคก็หมายทั้งโรคกายโรคใจก็ขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงจึงพบว่าที่ทรงใช้คําเพียงสามคำเท่านั้นเองว่าทุกภัยโรคแต่ในเรสัตใช้คำว่าทุ ก, ก่อนน ะ, ะใช้ทุ ก, ก่อนอย่างเดียวแปลว่าสิ่งใดที่เป็นทุกสิ่งนั้นก็เป็นภัยนะฮะสิงไดเป็งภัยสิ่งนั้นก็เป็นโรคคือมันเปลี่ยนเปลียนเพราะงั้น ทุกไปรอดที่จริงที่จริงมันเป็นเป็นเป็นผลรวมนะฮะเป็นผลรวมที่บางทีก็ใช้คำว่าทุกเฉยๆก็ได้เพรา ะ, ะนั้นถ้าถ้าถ้าเราช่วยให้เขาได้มีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะฮะปลอดภัยก็อุ่ น, นจริงเป็นอย่างเดียวกันได้รู้สึกปลอดภัยก็อบอุ่นนะฮะการที่เราสึกก็อบอุ่นก็เรารู้สึกว่าปลอดภัย พวกนี้ที่จริงแล้วเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันจะเรียกว่าคําซ้ําคำแต่คนละตอน น, นนะฮะคนละตอนกันคล้ายๆกับสุขกับสันตินะสุขสันติสุขสงบที่จริงแล้วความสงมบมันเกิดขึ้นก่อนจึงเกิดสุขแต่เพราะอาการมันมันติดกันจนจนถ้าเรามองธรรมดามันก็แยกจากกันไม่ได้ วันิพ้่านจึงเรียกทั้งสุขและทั้งสันติเแจะเห็นว่านัตติสันติปรังสุขขังก็หมายถึงนิพพานสุขอื่นนี่กว่าความสงบไม่มีนิพพานังประวังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างจริงเห็นไหมคือว่ามันเรียกแทนกันได้นะเรียกแทนกันแต่จริงๆแล้วโดยการเกิดสงบมันต้องเกิดมาก่อนกิเลสต้องสงบไปก่อนความสุขจริงจะเกิดขึ้นเพราะความทุกข์มันมาจากกิเลสพอกิเลสสงบความสุขมันก็เกิดแต่มันเกิดคล้ายๆเราเปิดสวิตช์ไฟ มัแป๊บเดียวเองเรียกยังไงก็ได้เรียกรวมๆกันไปเรียกสุขก็ได้เรียกสงบก็ได้ก็คือกันเนี่ยนะฮะคล้ายๆกับวิมุตตกยานกับวิมุตต์เนี่ยนะฮเราจะเห็นว่าเรียกทับกันได้ที่จริงวิมุตตะเป็นผลญานเป็นเหตุแล้วก็อยู่ภายในจิตของคนตลอดว่าความพ้นจากกิเลส ต, ตลอดแล้วก็มีความรู้ตลอด ความรู้กับการกับการหลุดพ้นนี่มันมีอยู่ตลอดภายในจิตทั้งหลายคล้ายๆกับแสงสว่างที่เกิดเนี่ยเพราะความแสงสว่างมีอยู่ตลอดคือความมืดก็ไม่มีตลอดไม่มีอยู่ตลอดเพราะว่าแสงสว่างเนี่ยมันทําให้หลุดพ้นจากความมืดเหะืนอนกอดแสงสว่าง ม, มีมีอยู่ไอความมืดมันก็มีไม่ได้ภายในจิตใจของพระยาบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะอย่าง ทีนี้การการมองเพื่อให้เกิดความอบอุ่นความปลอดภัยไม่ได้หมายความว่าพาปลอดภัยแล้วก็พอแล้วที่จริงตอนนึกถึงคนอื่นเนี่ยนะคือท่านเหล่านั้นถ้าไมมีปัญหาในตัวท่านถ้าไม่ได้ปรารบตัวท่านนะนะแต่ท่านปรารบถึงว่าคนอื่นเนี่ยเขาว่าเวียเขารู้สึกก็โดดเดี่ยวเดียวดายพรเจ้าหายไปตั้งแปเก้าเดือนนะฮะตอนหายไปดาวดึงยิงแล้วใหญ่ที่ท ยมกปฏิหารเนี่ยฮะชาวบ้านไม่ยอมกลับเพราะว่านิ่งๆหายไปเลยแสดงยมกปฏิหารจะดีๆดูๆกันดีแป๊บเดียวหายไปไหนแล้วชาวบ้านเลยไม่ยอมกลับถามพระโมกขลานะพระโมกขลานะพระพุทธเจ้าเสด็จดาวดึงไปโปรดไปโปรดพระพุทธมารดาอีกนานไม่จะกลับเป็นสเดือนนะฮะสาเดือนนี่ยมนก็น้อยกว่าเดือนเก้าเดือน อันชาวบ้านชุดนั้นเขากรอกเราเฝ้าเพราะอะไรเพราะพลังตะทามันมหาศาลมากนะคือเขาไม่เคยเห็นโอ้ยเจ้าแสดงปฏิหารแล้วแสดงครั้งเดียวด้วยไม่เคยแสดงปฏิหารเลยรู้จักพอแสดงก็มาโอ้โหมาอัศจรรย์มากเพราะงั้นไ อ, อ้คำสอนเนี่เขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคําสอนเนี่เขาไม่มีปัญหาอยู่แล้ว แต่บางคนก็อาจจะสงสัยในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆพแสดงตรงนั้นในศรัทธา ท, ที่เคยไม่ค่อยมั่นคงก็มั่นคงนะฮะจะมันคงอยู่แล้วก็มันคงมากยิ่งขึ้นบางคนก็บรรลุ ม, มากคน่าอรกันแจ้งพิสูจทั้งหลายเนี่ยเราจะพบว่าตรงนี้ภาพเนี่ยสําคัญมันไปสะท้อนกลุ่มสมอาการที่มีพระองค์หนึ่งที่ดังขึ้นมาอย่างนั้นนะคนแห่มาอย่างนั้นนะะมันจะมีคนวิทยานะฮะจริง จริงตามปกติแล้วจะมีคนริษยาจะมีคนกลุ่มหนึ่งไงริษยาแต่พระเหล่านั้นท่านท่านไม่ริษยาแต่ท่านตื่นเต้นนะท่านตื่นเต้นท่านอัศจรรย์ท่านชื่นชมกับพระอานนท์มากพระพระอานนท์เนี่ยท่านเรียกว่าอั จ, จริยะปูรธรรมนะมีธรรมะที่อัศจรรย์อยู่เยอะในตัวท่านจากชาดกที่เราเคยพูดมาต่อๆกันหลายเรื่องเนะี่ยให้เราสังเกตว่าพระอานนท์เนี่ย มันที่ใหญ่กว่าพระพุทธเจ้านะฮะในประชาติต่างๆนี่ใหญ่ความพระอนุลมั ก, กจะเป็นพระราชามักจะเป็นพระราชาซึ่งผิดกับพระนุรด์พระอนุนรด์มักจะเป็นพระอินทร์พระศาริบุตรเองเนี่ยมักจะเป็นปุโรหิตมักจะเป็นที่ว่าดานะฮะมักจะเป็นนักปราดอะไรอะไรซึ่งซึงซึ่งเป็นฐานบารมีกันแต่ละท่านมาแล้วแล้วก็มีลักษณะยอย่างนั้นน่ยพระอนุรด์พอท่านเป็นพระอระหันต์ถ้าก็แตกฉานในที่ประจักษ์ ศาสต์เก่งมากมีรองเฉพาะพระพุทธเจ้าแต่นั้นเองเราก็เห็นถึงฐานถึงฐานที่ท่านสร้างมาคนละสายกันทานได้บุกนักปราศนะฮะจอมปราศแต่ก็มีรองเฉพาะพระพุทธเจ้าแต่นั้นเหมือนกันทีนี้พระอานนท์เองเนี่ยอจจะเห็นว่าท่านอัจฉรย์ของท่านในลักษณะนี้ปัญหาตรงไหนที่ใครแก้ไม่ได้พระอานนท์ท่านถามได้ท่านแก้ได้ท่านมีวิธีเยอะ วิธีจะแก้ปัญหาท่านเป็นเจ้านายที่นุ่มนวลด้วยนะลักษณะนิสัยของท่านนุ่มนวลแล้ก็แก้ปัญหา ไ, ได้ๆแล้วกลายเป็นพระทีอัศจรรย์เขาก็ทึ่งเทศก็เก่งนะ น, นี่เทียเก่งก็พระท่านก็ชื่นชมในเรื่องเหล่านี้ยกย่องสรงเสริญ น, นะบุญเจ้าเห็นเป็นโอกาสก็เลยเสด็จไป พบท่านเหล่านั้นสอบถามมาคุยเรื่องอะไรกันท่านก็บอกว่าอัศจรรย์ราช น, น์ท่านเก่งสามารถตื่นเต้นนะตื่นเต้นอนุโมทนาไว้ความว่ารู้สึกชื่นชมอนุโมทนาตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญคือตามปกติแล้วคนเราเวลาได้รับเรื่องราวในทางที่ดีของคนอื่นเนี่ยดีจริงนะฮะถ้าไม่ดีจริงเราก็เบียกขาเนถ้าดีจริงเนี่ยเราก็อนุโมทนา แต่เขาไม่ดีเห็นว่าพออะไรที่จะชี้แจงแนะนํำได้ก็ชี้แจงแนะนําถ้าชี้แจงแนะนําไม่ได้ก็อุเบกขาอุเบกขาได้ดีที่สุดในกรณีที่เราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้คือสมมติว่าเราจะไปไปว่าอะไรเขาอันนี้มโกหกหลอกลวงอนะไรอะไรมก็สร้างตัวแต่ถ้าแก้ปัญหามันก็แก้ปัญหาได้นะหมายความมันไม่ได้ไม่ไม่ได้เอามา เวดาว่าเขาแต่ก็พยายามจะแก้ปัญหาเราไปช่วยเหลือเขาไปจิตคิดอนุเคราะห์เขาตกลงว่ามีเรื่องที่น่าสังเกตนะน่าสังเกตว่าแนวพุทธเนี่ยความคิดแนวพุทธมันจะมีความเอื้อทอนต่อคนอื่นจะห่วงใยคนอื่นพอเห็น ต, ตัวอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่าพอเห็นก็คนก็เดือดร้อนก็ว้าวเวก็สับสนว่าเจ้าหายไปมันก็ทำยังไงช่วยเหลือเขาได้ท่านเหล่านี้ไม่ทําทำอะไรเพื่อท่านท่านไม่มีปัญหาแต่ท่านก็ทำเพื่อคนอื่นเพื่อให้เขารู้สึกกปุนปลอดภัยแรงกลาเน่ั่นคือคิดแนวพุทธทีนี้ในกรณีที่เขาทำดีเนี่ยเราก็จะชื่นชมเขา แล้วชื่นชมงานของเขาอะนะชื่นชมตัวงานเขาแล้วก็ชื่นชมเขาก็กลับมาจิบเขาการณีแรกก็คือว่าเมื่อเขาว่าเวลาเดียวเดียวได้ก็เกิดสงสารเขาแล้วก็เห็นใจเขาก็ต้องการจะช่วยต่ลงว่าเป็นงานเป็นการกระทํางานที่เรียกว่าเพื่อเขาเมื่อเช้าเนี่ยอ่านใน คำกล่าวขององซานซูจีนะที่ทม่าจำครั้งก็เป็นเป็นประโลกการ ท, ที่ที่จริงนะครบค่อนข้างจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความมาทั้งหมดเขาบอกว่าการที่พูดว่าคนเรานั้นมีความรักความห่วงใยต่อบุคคลอื่นมากกว่าตัวเองนะ่ะเป็นเรื่องที่ไม่จริงคือถ้าปฏิเสธทั้งหมดนะ่ะไม่ได้หรอกมันก็มีนะฮะคนที่เออเพือเื่อแฝงต่ อ, อ, อ, อ, อคนอื่น เดียวมก็มีน้อยคนส่วนใหญ่ยังไงมันก็นึกถึงตัวเองไงนะนึกถึงตัวเองแม้แต่บางทีเราทำงานทังคมทรงเคราะอะไรแต่อะไรอุตรลุลนี่นะแต่ว่าตัวเองไม่บริจาคไงมันก็มีเป็นการว่ามันก็มันก็เอาฉั้นให้เฉพาะส่วนบริการร่างกายได้าการร่วมกิจกรรมต่างๆได้แต่ว่าถึงจะจ่ายตัวเองเนี่ยไม่จ่ายนะยิ่ไจะจ่ายก็จ่ายได้นะคนบางทีมันก็มีเป็นร้อยรอยล้านหลายร้อยล้า น, า น, านจ่ายได้ไมแปลกอะไร งเงินนั้นไม่ทำงานอะไรเราก็อยู่ปกติธรรมดามันก็จ่ายไม่หมดอยู่แล้วเรียกว่าแม้ถึงลูกถึงหลานมันก็ยังอยู่ได้แต่ว่าบางบางคนมันทำได้ระดับหนึ่งซึ่งก็เราก็อนโมทนาในระดับนั้นนะนะเราก็ชื่นชมในระดับนั้นว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ดีกว่าดีกว่าคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมทำแต่คนที่ยังยังไม่ยอมทำเนี่ย ก็อาจจะดีกว่าคนที่ไปเปรียดเบียงคนอื่ น, นมันก็มีอะไรดีอยู่ลดหลังกันกันลงมาเรื่อยๆนะครับเจ้าก็ทรงประรอบเรื่องนี้ต้องการให้เขินว่าไอ้คนที่เขาทาใต้เนี่ยมันมันมันมีพื้นฐานเบื้องหลังของเขาอยู่คือลักษณะนิสัยพื้นฐานบารมีเนี่ยเข้ามาเขาอย่างนั้นเขาก็ทําได้ในขณะที่คนอื่นเขาทำไม่ได้ แต่ละคนมันมีภูมิหลังซึ่งเป็นบุปการะดทั้งนั้นมีภูมิหลังซึ่งเป็นบุปการ์ทั้ง น, นั้นทําไมคนนี้ยังทาให้ท่านได้ดีคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราสร้างบารมีปัจจุบันไม่ทันนะนะเราตายแต่ก่อนอายุเราสั้นเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งจึงเป็นเรื่องของบุปการ์เป็นบุญที่เขาก็ทําไว้ในการก่อดมาส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านทําได้ สำรวจทางศาสนาท่านใช้คำอย่งกงคหนึ่งว่าพวงดอกไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นไปคนนี้อย่างที่เคยเล่าเรื่องพระพเจ้าไปเรียนไปเยืยนสาเดนเรนวัต น, นะฮะไปในป่านเนี่ยไม่มีบ้านค น, นคืนพระห้าร้อยไปบิณฑบาตชาวบ้านตายเลยชาวบ้านตายแน่เลยไม่รเอาที่ไหนมาตัดคนป่าปหัหาถ้าไปทางอ้อมเนี่ยเสียเวลาเยอะ แต่ว่าก็มีชาวบ้านนะอยู่ตลอดรายทางแต่ถ้าไปทางตรงทางลัดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนในหมู่บ้านปุยเจ้ารับสั่งถามอสีวลีไปด้วยบ่ะงอานนทบอกไปด้วยไม่เป็นไรอาศัยบุญสีวลีไปทางตรงเลยใช่ไหมอาศัยบุญสีวลีเข้าไปทางตรงตรงนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเองก็ช่วยไม่ได้นะช่วยบ่าวกให้ใ ห, ให้ให้มีอาหารกบฉันไม่ได้หรอก ในป่าแต่เพราะศิวลีท่านมีบา ร, รมีของท่านท่านก็ช่วยได้เคยไปบินระบบากระท่านเนี่ยไม่อดภาษาศิวลีนี่ตามมนเท่าไรก็ได้ก็เป็นพระที่พิเศษมากนะเป็นพระที่พิเศษมากก็ในสายของท่านอี ก, กแต่ถ้าเราศึกษาถึงภูมิหลังของท่านปรากฏว่าท่านก็เป็นก็ท่านอย่างนี้มาเรื่อยๆนะะสร้างบา ร, รมีสงเคราะห์คนอื่นมา ให้ความปลูกพันธุ์ได้มีอยู่ภายในใจเป็นแบบปุเพสันนิวาตที่เคยเล่าเนี่ยความว่าคนอื่นเราเห็นเรารู้สึกเฉยแต่คนนี้เราเห็นเรารักเรานับถือเรารักเราคุ้นเคยเราพร้อมที่จะร่วมมือแล้วแต่บางคนนี้ก็ทําบุญร่วมกันมาเขาก็มาคือขูนกับมาช่วยเหลือกันก็รับสั่งล่า ว, ว่าที่จริงอานนท์เนี่ยเขาเก่งอย่างนี้ เ, เก่งอย่างนี้มาไม่ใช่ชาเพราะชาติเนี้ชาติก่อนก็เคยเก่งมาก็เราสั่งเล่าว่าในอดีตการเนี่ยราาประชาชนหนึ่งซองครองเมืองในแคว้นกะลิงคราชนะฮะดังหลายเม่ก็กาลิงคราชก็คือเมืองชูชกอ่ะเรียกว่าเวสตันดร เ, เมืองชูชกก็พระองค์มีราชโองกรสองพระองค์ก็ ทรงพระนามว่ามหาการิงคะแล้วก็จุลละการิงคาการิงคาเป็นชื่อของแพทย์นะนะทีจริงเขาเป็นชื่อของกลาเป็นชื่อของคนโขนทํานายว่าราชกุมาทั้งสององค์เนี้นะองค์องค์งโตคือมาหาการิงคาเนี่ยจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินองครองเนี่ยจะเป็นนักบวช แตร่อนเร่ประเนจรแล้วจะกลายเป็นนักบวชแต่ว่าลูกจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแปลกนะจะเป็นนักบวชแต่ลูกจะเป็นเจ้าจากักรพรรดิหมายควาว่าอย่างไงก็ต่อมาเนี่ยในการทํานาอย่างนี้ที่จริงจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ดีนะเพราะอะไรเพราะคนอื่นเขารู้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะชื่นชมเสียงฝัามเนื้ขอขวามตัวนะฮะก็ไม่มีปัญหาคนกลุ่มเนี้ย แต่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะริษยาและจริงๆแล้วมันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งคือเข้ามาแสวงหาประโยชน์นะคล้ายๆหลวงพ่อดังๆเนี่ยลูกศรที่ห้อมล้อมหลวงพ่อเนี่ยมันจะมีจะสามสีประเภทประเภทหนึ่งนั้นศ ร, รัรทธาเลยศรัทธาโดยความเคารพนับถือจริงๆพร้าะนิยมท้าจริงๆพวกหนึ่งนั้นก็ศรทัทธามันกันแต่ศรัทธาอาศัย ความหลวงพ่อครึ่งหนึ่งลูกช้างครึ่งหนึ่งสร้างเหรียญหลวงพ่อนะฮะเสร็จแล้วก็ขายหลวงพ่อด้วยแล้วก็เอาถวายหลวงพ่อด้วยเลยนะฮะผมเอาเจ็ดิบห้าลวงพ่อเอายี่ห้าเปอร์เซนต์นี่ก็นี่ก็มีทีนี้เราจะเห็นว่ากลุ่มนี้ยอาจจะเลยเถิดไปถึงอาศัยชื่อหลวงพอ่อไปหาลูกศิษย์ที่นับถือนะฮะเอาไปขายเอาชื่อหลวงพ่อไปขายกินอีกทีหนึ่ง มันก็มีอยู่หลายประเภทอย่างเง้ย น, นะฮะมีอยู่อยู่แล้วทีนี้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยจจะริสยาสร้างข่าวขึ้นมาทำลายอ่าวมาคนดังในเดียวกันเน่คล้ายๆกับหมอดูไทยเนี่ยเราเจนตีกันตลาดนะหมอดูตาำกลมาขาวเมื่อก่อนเนี่ยลองถามนะไปลองดูก็ได้นะฮะหมอดูเนี่ยลองดูก็ได้เอาดวงไปมาเคยทดสอบแล้วเอาไปดูทีมสามสามคนเน่ยปรากฏไม่ตรงกันเนี่ยก็ตีกันเองเลยแองโกลตี อันมันมันันมัน ม, น ม, น ม, นมนเรื่องมันมันส่วนหนึ่งนี่ยครู้สึกเราริษยาติดังนั้นพระเจ้าราชกุมารจุลกาลิงคะมันก็ถูกกลุ่มหนึ่งในริษีญาติโดยเฉพาะพี่ชายพี่ชายมองเห็ น, นอนาคตเลยนะตัวเองเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจริงเป็นเป็นพระราชาจริงแต่พอตัวเองตายนี่ลูกจะไม่ได้เป็น ลูกของน้องชายเนี่ยจะเป็นพระเาจักรพรรดิเพราะเมื่อเกิดฤทธิ์ญาตน้องชายตั้งแต่นี้น้องชายยังไม่มีมหายสีเกิดฤทธิ์ญาติแล้วลูกจะมาจากไหนก็ยังไม่รู้เลยทีนี้แกก็มันก็วางแผนจะฆ่าน้องชายก็พอดีไปสั่งไปสั่งผิดคนนี่ยนะฮะอามาตย์คนที่รับคําสั่งท่านก็ไปเตือนว่าเนี่ยพี่ชายก็วางแผนฆ่าแล้วนะให้ให้นี้ มีตัวรอดไว้ก่อนตอนนี้พระเจ้าจักรพรรดิยังไม่มีนะเพราะว่ามายาสีก็ยังไม่มีเลยก็ต้องลงว่าเอาเอาผ้ากำพลเอาพระราชตัณฑกรณนะฮะเอาก็พระแสงดาบเอาไปสามอันเข้าป่าแล้วก็หนีเข้าป่าแล้วเสร็จแล้วก็ไปบําเพ็ญเพียรเป็นฤาษีแต่ว่ายังไม่บรรลุอะไรนะยังอะไรก็อยู่ป่า มันตอนนั้นที่จริงก็ค่อนข้างจะรีภัยนะค่อนข้างจะรีภัยแล้วก็อาศัยเพศของฤูษีเป็นเครื่องมือในการรีภัยต่อมานี่พระราชาที่ดาของพระเจ้ามัทราดนึกออกนะฮะมัทราชท่านในเวสตันดรก็คือเมืองของพนางมัทสี โขนทำนายว่าเป็นคนชะตาเลยครชะตาจะรอดเรพระเดจจาแต่ว่าลูกจะได้เป็นจักรพรรดิคนคนพระราชาทั้งหลายก็เป็นเป็นพระราชธีดังงดงามมากนะฮะพระราชาทั้งหลายต่างแขวนก็ส่งคนมาสู่ขอเยอะไปแบบเจ้ากรุงมัทราชม่จะให้ใครก็ชวนลูกสาวหนีเลยสองคนสามคนสละราชสมบัติเอาลูกสาวหนี พอนีมันก็ได้รอด น, นัะทีนี้นีมนก็ได้รอดพระราชาพระราชากราจากุมารีหนีก็ได้รอดไปแก็ไปพักอยู่ในที่หนึ่งรชาชบิดาก็ไปหาอะไรมาเพื่อจะสร้างสถานที่อยู่นะแล้วก็ให้พระราชกุมารีนี่ก็พักอยู่ลําพังพระราจกุมารีมาอยู่ป่าก็กลัวนะฮะก็หนีึ้นโดนไม้ก็มาอยู่บนกบทม้ บนบนปลายไม้รูสีคือจุลละจุลละกาลิงคาเนี่ยก็เที่ยวเดินไปก็ไปเจอก็ไปเห็นเขา้าก็บอกให้ลงม า, าขึ้นวิญยาเลยไม่ไ ม, ไม่ต้องกลัวภัยอันตรายอะไรแลานางก็บอกว่านางเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกษัตริย์จะลงไปอย่างนี้ไม่ได้เร้ว ณกาลิงคาท่างอกว่าท่านก็เป็นกษัตริย์ลงมาเจอทีนี้กษัตริย์เนี่ยเขาเขามีใกล้ใกลกับโคดนะนะฮะใกล้กษัตริย์จะักกันอะไรในความเขาติดต่อเนี่ยเขมีภาษาของเขาเวียนี้ก็มีนะอินเดียเนี่ยเราจะรู้ว่าพราม์แพทย์สูตรกันทานเนี่ยเขาเขาจะส่งสัญญาณกันได้เราจะรู้ด้วยภาษาเขาเรียกเขาเรียกมายามายากษัตริย์มายาพรามณ์มายาแพทย์มายาสูตรเขาจะรู้กันเนี่ย ก็ดูดูที่รูปร่างก็ดูยากนะะรูปร่างหน้าตามันก็คือกันสูตรสวยๆก็เยอะหล่อๆก็เยอะนะมันไม่ได้ไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเกิดสูตรเกิดแต่งตัวหล่อขึ้นมาเนยมันมันก็มีมารยาของเขามายา ง, งเขาที่ก็รู้กันในหมู่เขานะแต่ก็เป็นความลับในราชวงศ์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะรู้กันว่าเป็นกษัตริย์จริงหรือไม่จริงเนี่ย ก็ส่งคล้ายๆกับอะไรอ่ะสัญญาณของพวกสายลับอะไรทั้งหลายนะนะตกลงกันว่าจะใช้อะไรแต่อันนี้ก็ใช้จริงๆใช้ใช้สากลเกิดแล้วก็ส่งกันก็ปรากฏว่าก็ตอบได้ส่งสัญญาณไอ้คติยะมายาตอบได้แล้วก็ก็ลงมานะมาในสุดก็เกิดสนิทสนมคุ้นเคยกันู้จักมากสีกันคุ้นเคยกันก็ ก็อยู่ร่วมเป็นสามีพันยา ก, กันเพราะฤาษีเนี่ยจริงๆฤาษีรักษาศาีลห้านะฮะฤาษีส่วนใหญ่เนี่ยจะรักษาศาีลห้าจะถามว่าทําไมรักษาศาีลห้าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขากินผลไม้อะนะกินผลไม้ก็เหมือนกับจีนกินเจ น, นะฮะต้องกินอาหารเย็นด้วยนะท่านดาริลามะก็กินข้าวเย็นอยู่ในวัดเ น, นี่ยนะะนิกายมหายางก็กินข้าวเย็นด้วย เพราะเขากินเจอาหารเนี่ยมันมันมันจะไม่พอหรืองไงนะท่านก็กินผลนไม้แต่ว่ามีมีบางพวกเหมือนกันที่รักษาศีลพุทจันย์เราจึงพบว่าฤาษีมีปัญญาก็มีไม่มีก็มีนะเรื่องศีลแปดศีล5้านี่เป็นเป็นเรื่องโบราณนะนะก่อนพระพุทธเจ้าเป็นความคิดของคนที่สืบ่อกันมา แต่ของเราก็มาปฏิรูปปรับปรุงปรับปรุงวิธีการในการปฏิบัติให้ประนีขึ้นนะฮะมีขั้นตอนเงื่อนไขต่างๆขึ้นยิ่งก็เป็นของเก่าต้องลองว่าเมื่อทั้งสององค์อยู่ร่วมกันก็มีราชยุรสุ่มเดิมเขว่าชื่อการลิงคะชื่อการลิงคะหมายความว่าลุงก็มหาการลิงคะ พ่อก็จุดละกาหลิงคาไอตัวหลานก็ลูกก็กาหลิงคาเอาแพนมาชื่อตกลงว่าราชกุมารนี้วก็โตในป่า จ, จริงแต่ว่าแม่ก็มีศิละปะที่ศึกษามาพ่อก็มีศิละปะศึกษามาตากระยายนี่ก็มีศิลปะที่ศึกษาม า, า, มป า, า, มาเป็นกษัตริย์ด้วยกันดังนั้นมันก็สอนหลานคนเดียวนะหลานคนเดียวก็กลายเป็นคนที่มีความรอบรู้มาก เก่งกาดทุกเรื่องไงนะครับเพราะว่าปู่นี่เป็นตาเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกษัตริย์มาแล้วเคยบริหารบ้านเมืองมาแล้วก็สอนหลานทั้งหมดก็สามคนสี่คนเนี่ยฮะมากรุงมาสอนเด็กคนเดียวก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เด็กคนเดียวจนโตเป็นหนุ่มก็รู้ข่าวว่าพระเจ้ามหาการิงคะที่วงโคต จุลกาลิงคะดาวบทก็ส่งลูกชายให้ไปแล้วก็มอบไปของสามอย่างแต่ว่าเนี่ยพระราชจันทรกรนะฮะแล้วก็ผ้ากําพลแล้วก็ปรแสงตาจาวุธบอกว่าให้ไปโดยฤทธิ์เลยนะแล้วให้ไปไปตกอยู่บนบ้านอามารรดคเนี้ยลงตรงนั้นลงบ้านนั้นลงบนเตียงเลยแล้วก็ลงบนเตียงก็ไปไปไ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปลงบนเตียงอามารดมาเห็นข้าวก็สอบถามว่าเป็นใครท่านก็เอาอันนี้แสดงให้ มาก็รวบรวมผู้คนซึ่งยุนักพักดีกับจุนละกาลิงคานี้มากก็สถาปนาให้เป็ น, ป น, น, ป น, ป น, นพระ เ, เจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินพอเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่มันบุญญาธิการไอ้พวกรัตนาตั้งหลันก็มาไปกําเนิดช้างแก้วมา้าแก้วคุณผลแก้วแก้วมณีอะไรแต่และก็มากันครบหมดก็กลายเป็นพระเ จ, จากก้าจักรพรรดิแต่ว่าถ้าเป็นเน้นตรงนี้นะฮะต้นนัการเน้นที่นํามาชน ก็มีปุโรหิตตุกตนท่านหนึ่งชื่อว่าพระรัตวาชพระรัตวาชะในจริงเปนชื่อโคตน่ยนะฮะแสดงว่าท่านอาจจะชื่ออย่างอื่นแต่เขาเรียกเรียกชื่อโคตรคล้ายๆกัเรียกฝรั่งเป็นเนอานามตะกุดมาเรียกอ่ะอินเดียเขาก็เรียกอย่างนั้นแหะพวกอารยัน เ, เขาเรียกอย่างนั้นโดยมากจะเอานามตะกุดมาเรียกก็ได้แนะนําพระราชา พระเจ้าจากักรพรรดิการิลินคาเนี่ยให้ไปไปไหว้ไปไหว้สิ่งเคารพสกุลละถึงเป็นที่เคารพรักถือของชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้บอกไปที่หนึ่งนี่ขนาดช้างรัตนะนะช้างตระกูลโบสดเขาเรียกช้างรัตนะเมืองไทยเราศึกษาช้างเรื่องนี้เยอะๆเคยเคยเจอวันก่อนที่เกี่ยรกับช้างโบสดโอรูปร่างหน่าดู เมืองไทยเด็กเก่งนะฮะตระกูลช้างเนี่ยความรอบรู้เรื่องคดชลักนี่เก่งมากก็ไปถึงตรงหนึ่งนี้ช้างมันไปไม่ได้มันหญ้าบันวนเป็นทักษิณาวัตในเ น, เนื้อที่ก็เรียกแปดกะริดนะก็คงยังไม่ถึงไรนะไอกริดนึงเนี่ยเนื้อที่ตรงตรงนี้หญ้ามันบนุญสัตว์อะไรก็เข้าไปไม่ได้ปุโรหิตพระรัตวาชาก็บอกตรงเนี้ย เป็นที่เป็นที่ประดิษฐานพระรรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าในอดีตเพราเข้าไปไม่ได้หรอกพระเจ้าจั ก, กรพรรดมิมันก็อย่างว่านะจกกะกักรพรรดิก็ก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วก็เชื่อในตัวเองไงนะเชื่อในตัวเองว่าไปได้พระราชาชักก็ทดลองดูก็ได้แต่มอกทดลองดูก็ได้ว่าเข้าไปไม่ได้ ปรากฏใส่ช้างยังไง เ, ออ เ, ออ เ, ออเนี่ยตีเอาเอาเอเนี่ยขอสับสับแล้วสับอีกนี่ช้างข้าไม่ได้ข้าวไปตรงนั้นไม่ได้จนในี้สุดช้างโสมโสมลงพระราชาเองก็งงเลยนะฮะช้างตั้งใหญ่นะข้าวไทีนิดเดียว ก, ก็ทุ่งธรรมดาพื้นพื้นที่ธรรมดาเนะี่ยข้าไปไม่ได้ในที่สุดก็พระราชวาช้ท่านก็เล่าให้ฟัง ว่าเป็นที่ประดิษฐานพระาธาตุของพระพุทธเจ้าในอดีตแต่ไม่ได้บอกประนามนะก็อยู่ก็อยู่ใต้ใต้ดินไปแล้วนะใต้ดินไปแล้วแต่ว่าตรงตรงนั้นอย่างเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นก็ให้ถวายบังคมสักกระพระราชาทั้งก็ทำตามแล้วก็เชิญชวนประชาชนประชาชนซึ่งในกระบวนเสด็จเยอะแยะนะก็นำมาบูชา บูชาพระบรมสารีริกธาตุที่จริงก็ไม่เห็นน่ะนะก็อยู่ใต้ดินนะ่ะคนเหล่านั้นก็ได้รับบอกเล่าต่อๆกันมาก็กบูชานะแล้วพระราชาเองก็ทำการรักษาป้องกันบริเวณนั้นทั้งหมดมากันรั้วทำบริเวณทำพิธีบูชาเนะีพวกพวกนี้มังมาก็ที่จริงแนวที่เราบูชาทุกวันเนี่ยนะฮะ เราเห็นได้ชัดว่าคนรุษบุญญาตาใยยเนี่ยท่านเอามาจากชาดกเอามาจากชาดกต่างๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านบูชายอย่างไงบูชาเจ ด, ดีย์เี่ยมีธงปะตากมีธงแผนผ้ามีธงริว้วมีธงอะไรแต่อะไรก็จะเล่าไว้ในนั้นว่าบูชายอย่างไบางบ้างใช่ไงก็ทําแล้วก็เรียนแบบเข้ามานะก็เรียนแบบเข้ามาสร้างขึ้นมาแล้วแต่ว่าใครจะประทับใจวิธีการบูชาในแนวไหนแต่แนวในแน ว, น แ, นวนแนวนี้ก็ตั้งรั้วขึ้นมาเลย าราคาบริเวณด้วยทำพิธีบูชาบวงสวงต่อลำลึกถึงคุณของพระตนาไก่เวลาหลายวันช้างก็โศมเลยท่านจะไม่รู้ว่าช้างตายแล้วก็ในสุดเมื่อถึงเวล า, าเสด็จกลับ นี่ น, น, นี่เป็นเป็นอิทธิปฏิหารของระดับพระเจ้าจากักรพรรดินะเขาว่กเขาช้างช้างตระกูลโบสดอีกเชือกหนึ่งเนี่ยมารับตั้แต่ตระกูลนั้นก็เป็นช้างโบสดเหมือนกันตายแล้วล้มนะกระชางล้มก็เรียกไม่ตายช้างนี่ก็เรียกว่าเชือกเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าตัวโบราณนี่ก็เรียกว่าเชือกลัฒษณะนามช้างนี่ก็เรียกว่าเชือกเวลาตายก็ไม่เรียกว่าตายก็เรียกว่าลม้มเวลาล้มก็เรียกว่าโศม กระโลงลงไปก็พ้องงอเข่าเนี่ยก็ได้ช้างโลงแต่ภาษาปัจจุบันเนี่เรียกเป็นตัวช้างเป็นตัวจริงๆคนสมัยก่อนเนี่ยเค้าก็เก่งไงนะคิดคิดคำลักษณะนามขึ้นมาปแปลกๆทต่ไม่สังเกตได้กรณีก็แสดงถึงอัศจรรย์ที่ประชาเนี่ยท่านสามารถนำคนมาบูชาเจดีย์ผลจากการบูชาเนี่ย ประเด็นสำคัญคือผลจาการบูชาว่าบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสตรงนั้นจริงๆเนี่ยหมายความว่าพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้เป็นศาสด า, า, า, าของคนนั้นใช่ไหมคนในยุคนั้นมันจริงๆพระเจ้านิพานไปแล้วเจ้จาองค์ไหนก็ไม่ทราบไปนะนิพานไปเพียงแต่มีพระธาตุนั่นเองจะมีพระธาตุแต่ว่าคนที่สักการ บ, บูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วก็ราชาในตั้งการรักษาป้องกันนี่พูดระดับบูชาเลยนะพูดระดับบูชาเลย จะพูดศีลภาวนาอะไรฮะพูดระดับบูชากันเนี่ยกราบๆบไหว้ ๆ, ๆทำใจเรื่อมใสเราลึกถึงพระคุณนี่นะฮะท่านเหล่านั้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วต่างก็ไปบังเกิดในสุกติบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์กันทีนี้ในตอนสุดท้าก็ทรงสรุปชัดอกว่า พระเจ้ากาลิงฆ่านะเอามาสองคนนั่นเองอะเรื่องเรื่องเรื่องทีนั้นมาสรุปเพราะว่าต้องการจะพูดเรื่องพระอานนท์นี่นเองงนจะพูดเรื่องพระอานนท์ก็บอกว่าพระเจ้ากาลิงฆะในครั้งนั้นเนะี่ยเขามาเป็นอานนท์ในครั้งนี้ส่วนพารัตวาชาพรามผู้พยากรณ์ที่บอกชี้แจงแนะนําทั้งหมดเนี่ยฮะชวนออกมาเนี่ยก็คือเราแต่ละคนซึ่งก็หมายความว่าคนที่ที่มาแล้วก็เกิดพอใจชอบใจในการฟังเทศความธรรมจากพระอานนท์ก็คือคนที่สมบุญร่วมกันมา ท่าเหานั้มาเกิดร่วมกันนั่นก็คือผลจากการบูชาซึ่งก็เป็ น, เ ป, นเป็นหลักเป็นหลักยยเยอะแยะไปหมดเลยนะเป็นหลักที่ปรากฏในเที่ต่างๆว่าเอาพูดขนาดระดับบูชาต่อพระธาตุเจดีย์ก็ดีนะตรงนี้พระธาตุเจดีย์นะจริงจริงตอนตอนตอนต้นเราจะเห็นว่าเป็นบริโภคเจดีย์ตรงนี้เป็นธาตุเจดีย์ก็แสดงว่าเจดีย์ก็คือเจดีย์เจดีย์ไหนก็ได้ เป็นต้นโพก็ได้เป็นฐานที่ประสูติสัสรู้แสดงวัตถมเททนาวิธีนิพพานก็ได้นั่นพวกบริโภคเจดีหรือที่บรรจุพภกบาทรบริขารอะไรต่างๆของพระพุทธเจ้าก็ดีนะฮะแล้วก็ประวุทิรูปตลอดถึงสิ่งอะไรอะที่อักษรจารึกประรมบรรจุประธรรมคือรมเจดี ทำไมจะดีสมัยนั้นก็ชักสงสัยเหมือนกันนะทําไมทำไมจริงไม่ส่งแสดงเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่จารึ ก, กอกักษรพระธรรมลงไ ป, ใ น, ไปนในเวลานในแผ่นทองเหลืองนะเราเพิ่งจารึกเมื่อปศออทั้งสี่ร้อยกว่าแล้วพระเจ้า ก, ก็แสดงเฉพาะในช่วงนั้นในขณะนั้นและที่จริงในขณะนั้นมันก็ทําได้เพียงเพียงอย่างเดียวก็คือเอาต้นโพธิ์มาปลูกเพราะเรื่องการบูชาด้วยจิตที่เรื่องใส่ เ, เป็นเรื่องสำคัญ หมายความว่าไม่ใช่บูชาเพียงแต่เป็นประเพณีเฉยๆหรือว่ามานัดพบกันแล้วก็เดินคุยกันรอบประเจดีรอบรอบประดิมากแต่ว่าเป็นการกระทาด้วยใจที่เลื่อมใสมีความปองใสภายในใจเป็นการเสริมสร้างคุณภาพจิตตัวพลังของศรัทธาตัวเดียวนะเขาก็ทาหน้าที่ขจัดกิเลสได้คุณภาพจิตที่สาคัญก็คือว่า การจ้างไปงกิเลสมากเท่าไหร่เนะี่ยมาเท่าไหร่คุณภาพจิตมันก็ดีขึ้นเท่านั้นความสว่างสวัยในด้านเหตุผลในด้านสติปัญญามันก็ชัดเจนขึ้นเนี่ยนะจะเจนขึ้นคล้ายๆกับเรามองคนเนี่ยนะเรามองคนเราจะเห็นว่าเราใช้ฐานไหนก็ได้ฐานฐานศรัทธาก็ได้ฐานเมตตาก็ได้ฐานปัญญาก็ได้ที่จะมองจะฐานไหนก็ได้ เราจะไม่ไปตัดสินเฉพาะมุมใดมุมหนึน่งแต่จะมองรอบด้านจะมองรอบด้านแล้วจะพูดก็ไปตามสมควรแก่กรณีผิด ก, ก็ผิด ก, ก็ถูกก็ถูกดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีนะเพราะพวกนี้มันทําหน้าที่ขจัดปยาบาทเนี่ยก็เริ่มขจัดโมหะขจัดโทสะตถาวันก็จัดโมหะขจัดราคะขจัดโลภะขจัดโทสะ ปัญญานั้นก็ไม่ต้องห่ว ง, งนะฮะปัญญาเขาก็เป็นที่รวมของธรรมะเป็นแก่นเป็นแก่นของธรรมะในส่วนเหตุซึ่งก็ขจัดสัพปกิเลส ท, ที่ทรงแสดงว่าปัญญายะบริสุทธิ์จิติคนจะบริสุทธิ์ได้ก็ได้ปัญญานี่ก็เป็นธรรมะที่เรียกว่าสําเร็จรูปซึ่งก็มีอยู่ภายในใจของท่านเห่านั้นแล้วก็ออกมาเป็นรูปพฤติกรรมเป็นรูปปรมีเป็นเรื่อง ปุพเพกะตะปุญญตานะฮะบุญที่ทําไว้ในการก่อนแล้วก็มาสนับสนุนส่งเสริมกันเรื่อยนนคนบางคนเนี่ยคนหนึ่งพูดได้คนหนึ่งพูดไม่ได้ในเรื่องพระยามิลินนะเราจะเห็นว่าพระพูดเท่าอยายุตัง120้งร้อยยีิปีพูก้กระท่านไม่รู้เรื่องพระนาเกษตรอายุยี่สิปีพูดได้กำราบเอาพ ร, พรยามิลินได้อายุมันห่างกันเยอะนะจริงพระยามิลินก็แก่กว่าพระนาเกษตร แต่ว่าพระนัเกเส้นสอนได้ครับแต่นี้ก็คือเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเบื้องหลังวันนี้เบื้องหลังของเขานะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สะสมกันไว้ในภพชาติเมื่อก่อนวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนอะไรโดยทุกการทุกท่านคือ